ทำของพระพุทธเจ้ า, าแสดงอย่างถูกต้องไม่มีปิดบังลี้ลับคือแสดงตามความจริงทุกอย่างไม่ว่าขั้นไหนอย่งธรรมจน่างระบบาบุญรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งเข้าถึงเรื่องของจิเรศซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นความจริงด้วยกันหมดควาจึงหาที่ค้างมันนะ แต่ทำไมมันจึงเป็นปัญหาสำหรับพวกเราธรรมะขั้นแสดงไว้อย่างเปิดเผยไม่มีอะไรเป็นปัญหาไม่มีอะไรลี้ลับเลยแสดงตามความปริญล้วนๆซึ่งความปริญนั้นก็มีอยู่แสดงตามความปริญที่มีอยู่นั้นล้วนๆทุกขั้นของความปริญแต่สำหรับพวกเรามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าที่ให้คนตาบอดดูกันนั้นคงจะเป็นอย่างนั้น นี่นะ้าอันนี้นะ้ามือําเห็นแต่ตาไม่เห็นนีไ่ไงใครที่ไหนก็โดนตั้งแต่ทุกทั้งทั้งจิตท่านสอนว่าทุกเป็นยังไงไรู้อยู่แต่มันก็โดนมาจนได้เนี่ยบอกว่าทุกไม่ใช่ของดีก็โดนแต่ทุกเพราะสาเหตุมันเดินตามสาเหตุการก่อก่วยทุกขึ้นมาเท่าตัวเองเท่านั้น ในธรรมคุณท่านแสดงว่าสันทิติโกนีกตอนตอนตายของต้นท่นยเอหิป e ัสิโกโอปะยีโกนี่เป็นหลักสำคัญมากเอหิปัสิโกท่านจงมาดูธรรมของจริงอะไม่ได้หมายถึงว่าจะเรียกคนอื่นให้เขามาดูธรรมของจริง เอหีก็คือสอนผู้นั้นน่ะผู้ฟังทำผู้ปฏิบัติทำนั่นแหละให้ท่านจงดูที่นี่คือท่านตจงดูที่นี่ที่นี่ความจริงนี้เป็นสิ่งถ้าว่าพูดแบบโลกโก็จะว่าท้าทายตลอดเวลาคือจริงจนขนาดที่เรียกว่าค้าทายอย่างนั้นเถิดให้ดูที่นี่เอหีให้ดูที่นี่ ไม่หมายถึงว่าเรียกคนอื่นมาดูใครจะมาดูได้เขาไม่เห็นของจริงรู้ของจริงของจริงอยู่กับเขาเขาทำไม่เห็นเขาทำไม่รู้จะมามาดูของจริงอยู่กับเราได้ยังไงหมายถึงกันดูความจริงของเจ้าของของจริงของเจ้าของที่มีอยู่ น, ing, น, er, Stone, น, น, yes นี้โกปัญญาโกเห็นเรื่องอะไรก็ตามให้น้องเข้ามาเป็นประโยชน์สำหรับตนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์สี่สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทาง กายลึกปรากฏขึ้นภายใจิตใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตของอันใดก็ต่างให้โอปนัญจโกน้อมเข้ามาสู่ภายใจิตซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญมันจะก่อเรื่องต่างๆให้เกิดมีขึ้นภ า, นายในตนไม่นอกเหนือไปจากจิตนี้เลยจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากมโนปุพังธรมาธรรมาเท่านีก้กระเทือนโลกธานแล้วะ ใจเป็นต้นเหตุทมทั้งหลายมีใจเป็นั้งขาดเนะี่ยมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบทำทั้งหลายไม่มีอันใดที่จะรับทราบได้นอกจากใจแล้วนะทมทั้งหลายคืออะไรกุศลธรรมอกุศลธรรมมีอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่มีขึ้นที่ใจที่นี่กุศลธรรมก็เกิดขึ้นเพราะความฉลาดของใจ ทิศใจให้มีความเฉลียวฉลาดให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งออกมาจากความโง่เขลาของตนเองโดยที่ไม่รู้สึกว่าตนโง่นั่นเรียกว่าอกุศลธรรมมานันเกิดขึ้นที่ใจถ้ากุศลธรรมมาเป็นเรื่องของปัญญาพิณิพจน์นาแก้ไขความโง่ของตนที่เรียกว่าอกุศลานั้นให้มันหมดไปจากใจนี่โอปัญญายโกเข้ามาที่นี่เรื่องโง่เรื่องฉลาดของใครเรตามให้น้อมเข้ามานั่นน้อมเข้ามา ไอเอีปิปัจุโกให้ดูที่ตรงนี้บอแห่งเหตุทั้งหลายคือใจแสดงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดยั้งทำงานอยู่อย่างนั้นยิ่งกว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องเขาเปิดเป็นเรล้อเวลาแล้วปิดไปตามการตามเวลาของเขา อันนี้ไม่มีปิดเปิดวันทั้งค่าคืนจนรุ่งเปิดจนกระทั่งวันตายไม่มีปิดอแมมืแล้วก็บ่นว่ามันทุกข์บ่นไปเทะะ่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่แก้ต้นเหตุที่ควรแก้ซึ่งแก้ได้แล้วทุกกระดับไปเป็นลํำดับลํำดับตามความสามารถอย่งความเฉลียวฉลาดหรือความรอบคอบอุบายวิธีหรือตรงที่แก้ไปได้อืม ในสอนไปที่อื่นนั่นมันเหมือนกับสอนในตะคุปเงาโน่นโ น, น, นเอาตัวเหตุเป็นสาคัญกิเลสมันเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยระหว่างนะอะไรเป็นตัวเหตุที่ให้เกิดความทุกข์ความลําบากให้สัตว์โลกทั้งหลายลาบากตลอดถึงเป็นผลให้เกิดแก่เจิดตายเป็นผลออกจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้อเป็นตัวเหตุสาคัญมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้าไม่เกิดขึ้นจากใจเนี่ย มันอยู่ที่นี่ถูกไม่สอนไปที่อื่นเพราะเวลาพิการณาก็เอาจริงเอาจังเอาเหตุเอาผลให้รู้ความจริงไปโดยลาหนับและถอดถอนเจเลยก็ได้โดยลำหนับซึ่งที่เรียกว่าเป็นตัวภัยนนั้นก็ถอดถอนที่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นผู้ปลูกมาตัวเองเป็นผู้สังสมขึ้นมาในขณะที่งงาวลลบปัญญาไม่รู้เรื่องเวลาเวลาถอดถอนดี๋ยวาย วิสติปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นโดยลําดับก็ถอดถอนกันที่ตรงนี้นะสติตั้งให้มีอยู่ที่ตรงนี้จุดนี้เป็นจุดที่หน้าเป็นจุดที่รักเป็นจุดที่ควรรักษาอย่างยิ่งเป็นจุดที่ควรบํารุงอย่างยิ่งคือใจบํารุงก็บํารุงที่นี่ด้วยสติด้วยการอบรมคือทาวานาส่งเสริมวิธีที่มีอยู่แล้วให้มีความเจริญขึ้นไปด้วยการบําเพ็ญ รักษาอย่าให้อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้ประมาทระวังอย่าให้จิตนี้แสเอวไปรุ่งกับเรื่องอะไรแล้วนำสิ่งนั้นเข้ามาเผาตนเองมีท่านทาีวว่จะรักษากําจัดก็คือค้นคว้าหาเหตุผลของมันอันใดที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นของไม่ดีให้พยายามแก้ไขค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อแก้ไขให้ถูกตามจุดของมันที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยดับไปดับไป เรื่องใหญ่โตมัอยู่ที่จิตเรื่องเกิดก็คือจิตฮอจิตคล่องเที่ยวยิงในวันตรากองสารจัไม่รู้ว่า ก, กี่ประประมาณนั่นเท่าไหร่เยังคนคนเดียวเท่านี้มันก็เต็มโลกแล้วแหละซากศกที่เกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่จะของ น, ำ น, นนะ้ำไม่ได้น้ำไม่ทนไม่รู้จักนะับปิดบังตัวเองความจิงงตัวเองที่เป็นมาเท่าไหร่ก็ปิดบังความจริงทั้งหมดทั้งเหลือแต่วความหลอกลวง โลโลเลลหาความจริงไม่ได้ผมสอนให้แกที่นี่พยายามอบรมสติให้ดีให้ทันกับความคิดความปรุงมันปุุงขึ้นที่จิตมันตกจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีสติแล้วความกระเพื่อมของจิตตรุงยยกออกมาท่านั้นจะเป็นการตรกสติกับปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน แล้วนั่งอยู่กับที่แล้วฟังเราเฝ้ามันอยู่กับที่ที่ที่ที่จะเกิดขึ้นอย่าง เ, ง เ, งเาหตุทั้งหลายได้ใจใจเราต้องทราบพอกับเพื่อมตัวมาก็ทราบทราบทรา บ, ราบโดยลําดับนี่ยคือจุ ด, ดหลอกลวงก็หลอกที่นี่จุดที่จะเข้าใจความจริงก็คือจุดนี้ เข้าใจด้วยปัญญาแต่นั้นก็เอาพิจารณาดูล่มธาตุล่มขันให้เห็นจนกระทั่งถึงมันฝังจิตคือมันซึ้งในจิตว่าอาการแต่ละอาการนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพิจารณาหลายครั้งและผลมาหนักซึ้งตัวเองคราวนี้ก็ทราบคราวนั้นก็ทราบคราวนี้ก็เข้าใจคราวนั้นเข้าใจเข้าเข้าใจหลายครั้งและผลเลยเป็นความทราบซึ้งอื แน่ใจรูปนะ่างว่ารูปอะไรเป็นรูปเนี่ยรวมทั้งหมดผมก็ไปรูปขนเล็บพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นรูปลวงก็ไปข้างในอวัยวะภายในทั้งหมดอา้าวที่เป็นด้านวัตถุนี้อันนี้บอกกองรูปหรือเรียกว่ากายอา้าวู นี่เวลาท่องเที่ยวให้สติตามความรู้สึกของเราที่เดินไปในวิวัยวะส่วนใดอาการใดของร่างกายให้สติเป็นผู้คุมงานปัญญาเป็นผู้กรองไปความรู้ร้ไปตามอาการนั้นๆปัญญากรองไปให้มันซึ้งซึงสติรับทราบไปทุกขยะนี่คืองานของเรา งานเล่ย ห, หล่อนงานความพิดความปรุงโดยไม่มีสติสตังนั้นเราเคยทำมาพอแล้วและเคยเป็นโทษเกิดโทษมากระทบกระเทือนจิตใจเรามากมายพรองความคิดความปรุงเช่งนั้นงานเช่นนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรางานเช่นนี้เป็นงานที่จะรื้อถอนพิษภายอะไรที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราให้หมดไปโดยลำดับคืองานกำกำการกาหนดด้วยความมีสติกากับปัญญาไตรจอง ความรู้เดินไปตามอาการนั้นเราถืออาการนั้นเป็นเหมือนกับเส้นบรรทัดเออมันเดินไปตามนั้นปัญญาแน่ไปตามอยู่ละเหมือนกับเขียนไปตามเส้นบรรทัดทัติประคองไปด้วยดูไปด้วยอืมเดี๋ยวเราเที่ยวเราความอยากรู้อยากเห็นหอย่างรวดอย่างเร็วนั้นเราจะเอาเขามาเกี่ยวข้องให้เหนือความจริงนั่นไปมันรู้ยังไงให้เข้าใจตามความรู้นั้น แล้วกำหนดตามไปเลยๆ เ, เราจะแยกดูความเป็นดุของมันไปยังไงอภายในภายนอกมันบางๆแค่นั้นแหะไอ้ที่มันหลอกลวงตาโลกหลอกลวงตาท่านตาเรายัง ไ, ได้หนาเท่าเวลา น, นเลยคือผิวหนังนี่ีเราจะพิจารณาในแง่หนึ่งเหล่านี้เป็นการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนความหลงของตัวเองทั้งนั้นและเวลาเราพิจารณาอย่างนี้มันเพินอีกเหมือนกัน เอาดูขึ้นไปทางบนดูลงไป้างล่างดูไปข้างนอกข้างในภายในตัวของเราเนี่เป็นการท่องเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้สติตามจะให้มันสัตว์จะว่าไปให้ตามไปตามปัญญาที่ตรองไปตามความรู้ที่ที่รู้กับประการนั้นๆไปโดยลำดับลำดับ จะขึ้นข้างบนลงข้างล่างที่ไหนถูกศัรูธรรมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นงานตะยังเต็มที่ของเรางานนี้เรียกว่างานหรืองานถอนพิษไพรที่อุปทานเข้าไปแทรกไปสิงไปยึดไปถีือทุกชิ้นทุกอันภางในร่างกายนี้เพระาะฉะนั้นทุกจึงมีอยู่ทุกแห่งทุกของเพราะอุปทานเป็นสำคัญคำว่าทุกมีทุกแห่งหน่หมายถึงว่าทุก เพราะความยึดถือไปเป็นทุกข์ที่ใจไม่ใช่เป็นทุกข์เพียงว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นทุกข์อันนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ถ้าสาวกก็เป็นได้เพราะขันนี้ตั้งหมันอยู่ในกฎของอริยจังทุก ข, งขังรตารอยู่แล้วมันจะต้องแสดงตามกฎของมันแต่ถ้าหลักจิตผู้พ้นจากกฎอริยจังทุกขังรตารนี้มีฐานะที่จะพ้นจากกฎอริยจังทุกขังรตารนี้ให้พิจรณ า, าพิจารณาสิ่งที่ว่านี้อย่าให้กระทบกระเทือนตัวเอง เพราะควากความด้วเองเป็นขั้มขันที่จะไม่ใหสิงนี้มาเข้ามเถื่อนได้นะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นภายในพิจารณาลงไปดูเอหนังเป็นยังไงหนังสัตว์ที่เขาตาวันนี้เป็นยังไงหนังรองเท้าเราเป็นยังไงนะดูกันหมดนะแื้อเอ็นกระดูกก็ดูเนื้อสัตว์เนื้อบุคคลมันก็เหมือนกันดูกระพายกระดูกลองดูดูอะไรดูเข้าไปดูภายในร่างกายเนี่ย เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าท้าทายอยู่แล้วตามความจริงของเขาทําไมใจจเราถึงไม่อาหฐานด้วยเห็นตามความจริงนั้นแล้วก็ท้าทายกันความจริงตัวเองอีกดทื่นด้วยเห็นสิ่งความจริงเหล่านั้นหนักมันเป็นความท้าทายกันโดยสติปัญญานตนเองอีกทื่นจากความจริงทั้งหลายที่ท้าทายเราอยู่แล้วนี่้ถูกทั้งสองเงื่อนคือเงื่อนหนึ่งความจริงทั้งหลายไม่ว่าป่ายรูปเวทนาปัญญาและานญญา เป็นความจริงเป็นของมีอยู่ท้าทายอยู่ด้วยความมีอยู่ของมนนะแล้วปัญญาก็ยังให้ทราบตามความจริงของเขาปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายใน จ, จิตใจเป็นการท้าทายความจริงขึ้นมาภายในจินตใจัองตนนี่เป็นการถอนถอนที่แหล่งเงลดนะเป็นอย่างนี่นแหละความจริงกับความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เป็นไข่พอถอนทิศภัยสงายางออกได้โดยลำดับนั่นะตอนที่พิจารณา เดินกรรมฐานอืมเนี่ยเที่ยวกรรมฐานทังที่ว่านเที่ยวไปการมวิญญาณน้อยใหญ่กองไปกองไปกองนั้นแล้วก็เอากรรมฐานนี่มันสลายแปรสภาพไปยังไงเอากําหนดลงไปมันจะเป่อยจะผกจะทังกําหนดลงไปกําหนดลงไปมันกองลงไปมีเป็นอย่างนั้นเคยกําหนดอย่างนั้นแท้ๆเรากําหนดลงไปกำหนดลงไปนี่เราจัดในอาการไหนสมมติเราจะกําหนด ให้มันเห็นชาดภายในจิตเราจะจับอาการใดก็ตามให้จับอาการนั้นไว้ให้แน่ให้เป็นความรู้ปรากฏให้เป็นภาพนั้นปรากฏอยู่ภายใ น, ในจิตของเราชติจับหรือจดจ้องอยู่ที่จุดนั้นอา้าวภาพอันนั้นมันจะปรากฏสูงตำ่ำไปไหนก็ตามเราอยา่าไปคาดันหมายความสูงความต่ำสถานที่ของเอ่อเจ้าหมายที่เราตั้งนาฏินานั้นให้ให้เราถือเป้าหมายนั้นเป็นจุดสําคัญของความรู้ที่ติด แนวกันอยู่นั้นด้วยสติเป็นผู้ควบคุมอาการนี้มันจะขยายตัวมากน้อยก็ให้ให้มันเห็นประจักษ์ในปัจจุบันจะสูงจะต่ําก็ให้มันรู้อยู่นะเราจะไปคาดว่า น, นี่สูงเกินไปนี่ต่ําเกินไปนี่นอกจากกายไปแล้วที่แรกเรานึกว่าเราพิจารณาอยู่ภ า, ายใากายอาการนี้อยู่ภ า, ายในกายทําไมามันจึงกลายเป็นนอกกายเราจะไปคิดอย่างนั้นมันจะสูงจะต่ําจะออกนอกออกในก็ตามถ้าเราไม่ปล่อยความรู้ ในเป้าหมายที่เรากําลังพิจารณานั้นนั้นแหละมันจะเห็นความแปลกประหลาดเล็เป็นเห็นเป็นความอศัศจรรย์ขึ้นมาในวัตถุอนนั้นแหละเช่นเรากําหนดเนื้อออ่ะาจะเป็นเนื้ออวัยวะส่วนใดก็ตามกําหนดลงตรงนั้นให้เห็นชัดเจนอยู่ภในนั้นแล้วมันจะกระจายกระจายกระจายไ ป, ไปเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยดีคือความรู้สึกตัวอยู่นะั้นจิตก็รู้ทํางานปัญญาก็กรองตามนั้น ถ้าเดี๋ยวมันก็ค่อยกระจายลงไปกระจายมีหมาเข้ามามันมันเปื่อมันพังลงไปพังไปอันนั่นก็พังอันนี้ก็พังเออดูมันทัดเย็นลงไปเราไม่ต้องกลัวตายเออเรากลัวอะไรเราดูความจริงไม่ใช่ดูว่าเราจะตายนะฮะดูอ่าสลายลงไปสลายลงไปนี่เคยพิจารณาอย่างนั้นนันขาดลงอันนี้ขาดล ง, นนดลงมันเทินในขะที่พิจารณาพิจารณาร่างกายตัวนั่นแหละแต่ในขณะที่พิจารณา ด้วยความเปนเพลินนั้นร่างกายเลืปดากิดว่าหายไปหมดอีกเหมือนกันไม่รู้สึกตัวเลยท่านท่านที่เรากำหนดการนั้นเอามันทางลงไปทางแล้วหัวขาดลงไปตกลงไปต่อหน้าแล้วเอาขาดลงไปแขนขาดลงไปแขนท่อนนั้นกระดูกค่อนนั้นขาดลงไปกระดูกท่อนนี้ขาดลงไปภายในนี่มันก็ทะลักออกไปเอาดูมันเรื่อยๆเพินดูเรื่อยเอาแต่ลงไปเรื่อยๆเอาส่วนน้ำก็ซึมลงไปนี่หมายถึงมันเห็นประจักนั้น คือลงไปในดินบ้างเป็นไอขึ้นอากาศบ้างเรื่เวลาน้ามันปรากฏเป็นซุนชาบลงไปใต้เป็นไปในดินและออกเป็นอากาศในหมุนแล้วมันก็แห้งเอาไว้ว่าส่วนนี้แห้งแห้งค่อยก่อเค้ากรอก็แห้งเข้าไปแห้งไปเลยกลายเป็นดินไปดินกับอันนี้เลยเหมือนก็กลมกลืนไปเดียวกันไปมีเห็นทัธาตุส่วนที่แข็งกระดูกกําหนดโดยลําดับอย่างหนึ่งกำหนดไฟเผาก็มีอย่างหนึ่งเพรมันค่อยเพรามันค่อย ผุพังลงไปกระจายไปกระจายไปดนแบบคืนกันเข้าไปเป็นดเดียวกันกับดินเห็นคาดที่คาดที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณานี่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ําแล้วสิ่งที่ติดใจซึ้งซึ้งภายในใจก็คือธาตุดินส่วนน้ําก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นอารมณ์ไฟก็ไม่ค่อยมีอะไรนะไม่เป็นข้อหนักแน่นสำหรับการพิจารณานแล้วเป็นสิ่งที่จะซึ้งภายใจิตใจเหมือน<ม>อยา่าพิจารณานร่างกายส่วนรูป พอพอนี้มันกระจายไปกระการไปกลายไปเป็นดินหมดพอกลายเป็นดินหมดทีนี่จิตมันก็เว้เวิงว่างทิ้ฮะแล้วว่างไปหมดอย่างนี้ก็มีแต่ผู้พิจารณากรุณาอย่าได้คาดนะให้เอาความจริงของตนเป็นสมบัติของตนเป็นสัทธิปยาของตน จะเอาความคาดคะเนมาเป็นสักขีพยานมาเป็นข้อดําเนินมันมันมันคาดมันคาดแล้วมันจะเป็นไม่ใช่สมบัติของเรานั่นเป็นสมบัติของท่านสมบัติของเราคือเรารู้เองเราเป็นยังไงพายมันเป็นขึ้นภายในตัวงเราเองนั่นแหละคือความรู้ของเราความเห็นของเราสมบัติของเราถ้ากําหนดดังนั้นบางครั้งไม่เป็นอย่างนั้นแล้วถัาเป็นมันเองโดยหลักธรรมชาติพอกลายลงไปอย่างนั้น ดินลงไปอย่างนั้นหมดแล้วบางทีเึ่นเช่นอย่างมันดิน อ, อกระดูกมันค่อยแฮ้มันมันค่อยผุพังลงไปผุพังไปยังไม่หมดแต่อันหนึ่งมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าที่มันยังไม่หมดนี้มันก็จะต้องเป็นดินเท่เดียวกันอันนี้มันมีความปรุงขึ้นภายในจิตทั้งๆที่ในขณะนั้นไม่มีกายเลยในความรู้สึกมันมีความปรุงขึ้นเหมือนกัน ทั้งเดียวไม่ทราบแผ่นดินมาจากไหนมันทับเดียวมาทับไอ้ที่ยังผุพังไม่หมดกลายเป็นดินไนหมดด้วยกันเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วกิตไม่ทราบเป็นอะไรมันมันกลับมันอีกอันหนึ่งเป็นขนะดมันทับนองอิดเนี่ยเลยหมดแผ่นดินก็ไม่มี บางทัานที่แผ่นดินมันมันไหลมาทับเันอย่างรวดเร็ว๊มาทับกระดูกกองกระดูกของเราที่ยังกระจายไม่หมดละลายไปหมดอะ้วมาเป็นดินอันหนึ่งมันก็รู้ขึ้นมาทับหรือว่าอืทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นดินหมดในร่างกายนี้ที่มันลงไปก็เป็นไปดินหมดพอวางงั้นจิตมันพับเข้ามาอีกมันมันขลิกของมันอะไรไม่ทราบเลยดินก็หายอะไรไรหายหมดเหลือแต่ความรู้ล้วน โล่งไปหมดเกิดความวัสจันร์ขึ้นมาอย่างพูดไม่ถูกซึ่งการพิจารณาเช่นั้นเราก็ไม่เคยเป็ดนั้นก็เป็นขึ้นมาอย่างชัดเจนอะไรอยู่นั่นใชะคืออยู่อันเดียวเท่านั้นนะจะมีขณะใ ด, ดขณะหนึ่งของจิตว่าเป็นสองมันมีขึ้นมาไม่ได้เพราะมันตายตัวด้วยความเป็นหนึ่งแท้ๆถึงพอขยับจิตขึ้นมาก็แสดงว่าเป็นสองแบบความปรุงแตที่มันไม่มีความปรุงไม่มี คือเหนือแต่ความรู้ที่สักเทวารู้และเป็นของอาจารย์อยู่ในความที่สักเทวะรู้นั้นคือมันเบิกวางไปหมดเลยโลกาธาตุนี้่ต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่มีมแต่ว่ามันเป็นอากาศทั้งหมดผูนนั้นมันก็ไม่สําคัญว่าเป็นอากาศอื่เหมือนกันมันมีอยู่ความรู้นั้นเท่านั้นเนี่ยพูดได้เท่านี้โอเป็นข้ามองข้ามงอยู่ไหน พอติดถอนออกมาจากนั้นแล้วแม้แต่เราจะกำหนดดูอะไรมันก็มันเลยเวิกบ้างไปอีกเหมือนกันนี่เป็นอย่างอันนี้มันอาจเป็นได้คนรักครั้งท่ า, า, านั้นอันนี้ก็เคยเป็นได้ครั้งเดียวไม่เคยซ้ําอีกเลยส่วนการพิจารณาลงไปโดยเฉพาะเฉพาะนี่มันเป็นได้ตามความชำนานของผิด เป็นได้จะเป็นมาทั้งป่ะเป็นได้ทุกครั้งหน่เพราะมันชำหนักมันเป็นได้ทุกครั้งที่เราพิจารณาหนึ่ให้เห็นชัดความแปลสภาพให้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมอไฟอย่างชัดๆอยู่นี้ทุกเวลาที่เราพิจารณาความที่เป็นอยู่เช่นนี้แหลคือเป็นความจะสามารถที่จะทําจิตของเราให้มีความเคยชิน กับความจริงคือดินน้ำลมไฟแพ้ไม่คือมันมาถอนเอาความที่ว่าเป็นตนเป็นเราเป็นของเราร่างกายนี้เป็นเราคือมาถอนอันนี้ออกลงไปสู่ดินน้ำลมไฟแม้จะอยู่ในนี่มันก็ักแต่ว่าธาตุเนี่ยธาตุธาตุมันก็ธาตุถ้าว่าธาต า, า, าดินมันก็ธาตุดินมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันชัดเพราะความรู้ทำท่ำสักชาตรู้ ไม่หยิตไม่ยังรู้อยู่เรื่อยๆมันเพิ่มความซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วถอนตัวออกมาจากคําที่ว่ากายเป็นของเราเลยกายก็สัตแต่ว่ากายถ้าให้ชื่อว่ากายก็สักแต่วกายถ้าเราจะชื่อว่าสักแต่ว่าปรากฏสภาพวันนี้เท่านั้นมันก็พูดได้อืมเมื่อจิตมันขอตัวแล้วมันถ อ, อนตัวออกมามันไม่มีอะไรเป็นปัญหา เราจะว่าเขาเป็นอะไรเขาก็มีปัญหามันเป็นมหาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ปัญหาของเหล่านี้ออกจากความลุ่มหลงความรักใคร่้าไหาต่างๆให้เข้าสู่ความจริงของตนคือรู้ล้วนล้วนอันนั้นก็ธาตุล้วนล้วนถ้าหาว่าเราแยกไปถึงร่างกายกับธาตุล้วนล้วนเนี่ยแยกสมาจิตย้อนสมาจิตก็จิตล้วนล้วนทั้งสองล้วนล้วนนี้เข้าไปก็เป็นความจริงล้วนล้วนนานอ่าที่นี่ เมื่อเราราบชาตินี้อาเวทนาจะเกิดขึ้นก็เกิดเออแต่ว่าไงมันก็เป็นคาดอันหนึ่งหรือเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับร่างกายอันนี้มันนิ่งถึงกันอย่างนั้นทัญญาความหมายพอปรุงยับเราก็ทราบเสียมันออกไปจากจิตนี้ไปปรุมอย่างนั้นไปสําคัญอย่างนี้เมื่อเราทราบแล้วมันก็ถอนตัวคือมันดับไปทันทีกันทีถ้าเราไม่ทราบมันก็ต่อ อันนี้ดับพนันต่ออันนี้ดับพนั้นต่อมันต่อไปเรื่อยเลยเป็นเหมือนลูกโซ่แต่พอเราทราบแล้วมันก็ดับของมันดับในขณะที่สติรู้ทันรู้ทันนั้นก็ไม่ปรุงเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาหน้านี่เรียกว่าสติทันถ้าไม่ทันแล้วต่อเรื่องมีการพิจารณ า, า, าความจริงในร่างกายนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดพระริจ่าที่ทรง สอสติปัฏฐานสีวันมีอยู่ในร่างการับจิตใจในทั้งนั้นชาติธรรมก็มีอยู่ในที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่สรุปลงแล้วลงสู่ที่จิตดังที่ว่าพิจารณาไปทั้งหมดพิจารณาเพื่ออะไรพิจารณาให้เพื่อให้จิตรู้รู้ตามความจริงนั้นแล้วจะได้ปล่อยจะได้ปล่อยความงุ่มงมงกมนในการจิดถือนั้นเข้ามาสู่ความจริงของตนเอ่เ น, นเมื่อหมดความงมงมงในธาตุสิน้ำลงไฟนี้แล้ว หมดความนในเวทานาสัญญาสัญขันญาณอันเป็นอันเกี่ยวกับขันธ์ห้านี่แล้วก็เข้ามาพิจารณาความองงหายของกิตมันยังไม่เห็นมันความองงายตามขั้นของกิเลสที่มันละเอียดอันนี้เรียกว่าเป็นความละเอียดกิเลสเป็นความมุงหมายละเอียดของกิตหอนลงมาพิจารณาลงมาอีกอเอาอะไรเป็นหลักมาพิจารณากิตจิตเป็นนามธรรมาเวทนาก็เป็นนามธรรมาเนี่ย วิเลก็เป็นนามธรรมปัญญาก็เป็นนามธรรมไม่ว่าจะเกี่ยงวิจิตจะเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นนามธรรมมันอยู่ด้วยกันมันติดกันได้วิเลกับจิตมันก็เป็นนามธรรมมันติดกันได้อ้าวปัญญาค้นลงไปมันเป็นนามธรรมด้วยกันคนลงไปให้พิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาลูกเวทนาปัญญาต่างขงันยานเหยียดให้เห็นตามความจริงของมันม เนี้ยยกผิดนี่ขึ้นมาเป็นตัวนักโทษทีเดียววาดฟันทันแหลกลงในตัวนักโทษนี่นี่ละนักโทษมันเก็บพวกเข้ามารวมในตัวนี้หมดถือว่าตัวนี้เป็นตัวเก่งตัวรู้ตัวฉลาดถึงนั่นถึงนี่รู้ไปหมดแล้วอืโลกธาตุนี้รู้เพียงกินรดเครื่องสังขารรู้หมดรูด้เบตนาสัญญาสังขารมีญาณภายในร่างกายที่เป็นขันธ์นมันรู้หมดแต่ไม่ยอมรู้ตัวเองนั่นสิมันมาติดตรงนี้มันมาโง่ตรงนี้ควาะะนตุงย้อน ปัญญาเราก็้าแทกเข้ามาภายในนี้อีกผ่าด้วยทะลุเข้าไปนี่แทงเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหาความรู้นั้นอืความรู้ที่มันมันว่ามันเก่งๆนั่นน่ะนั่นแหละคือตัวงมงายของมันเหมือนอะไรความรู้อันนี้ไปดูยกขึ้นมาเป็นนักโทษมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งอ้าวจิตจะคิดหายไปเพราะการพิจารณาเนี้อ้าวให้คิดหายไปถ้าจิตไม่คงต่อความจริงแล้วจิตก็คิดหายถ้าจิต ทรงความจริงไว้ตามธรรมชาติงตัวเองซึ่งเป็นความจริงจริงๆแล้วอ้าวให้มันเห็นมันจะศูญหรือไม่ศูญให้มันรู้มันจะไม่ศูญนะพคนลงไปเราไม่ต้องเสียดายเรื่องจิตก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําลายมันจะสลายมันจะชิบหายไปมันจะศูญสิ้นไปไหนเมื่อถูกปัญญาทําลายไจิเลตมันสูญสิ้นไปจริงเพราะมันเป็นสิ่งจาปองอยู่ภายในจิตนะกําหนด ลงไปจริงแล้วไอ้สิ่งที่มันควรสูญยังไงมันก็อยู่ไม่ได้มันสูญสูสิ่งที่มันธรรมชาติที่มันสูญไม่ได้ะทํายังไงมันก็สูญไม่ได้นะคือจิจจะสูญไปไหนนั่นแหละผู้ที่ถูกพิเ็ตครอบงาอยู่นี่นก็คือจิตปัญญาฟาดฟันพิเรแตแหลกลงไปหมดจากจิจแล้วจิตอันนี้มันก็สูญไปไม่ได้เลยกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาพูดนี้แหละคือผู้บริสุท จะอะไรไปศูนย์ฮะศูนแล้วจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรนั่นตายนั่นตานี้ตายอันนี้เป็นอมตะตังขึง้นอมตะตังด้ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ออมะตะที่ปิ้งไปตามวตัตตะวัวะตตะบนหลายนะนั่นก็เดี๋ยวมไม่ตายแต่มันปิ้งไปอยู่งั้นอมตะตังอันนี้ไม่ตายด้วยไม่ปิ้งด้วยเป็นวิวตัตะคือไม่ตายแต่ไม่หมุนนี่ตัวจริงอยู่ภายใน ให้ท้าการขันห้าของเราขันนี้แหละตัวสําคัญเจ้าที่อยใหญ่ก่อควรมันเข้าไปกุ้มกุ้มรุมจิตเนี่ยให้จิตหลงไปตามรูปตามท่าตามขันตามทุกเวทนาต่างๆความเจ็บไข้ได้ป่วยวุ่นวายไปหมดมเขาไม่ได้ว่าอะไรนี่ร่างกายเมีอะไรมันก็มีอย่างนั้นเวทนามันก็เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นตามเรื่องของมันมันไม่ทราบมันเป็นเวทนาไม่ทราบมันเป็นคุกเป็นสุข เป็นชเฉยๆ เ, เลยเลยก็จิตเนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายแล้วจิตก็เป็นหลงความหมายตัวเองโดยไม่เกิดก็อยู่อะไรนอกจากเกิดโทษจากตัวเองเท่านั้นท่านันจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นตามความจริงของมันนี้แล้วอะไรจะทิบหายะเราจ ะ, ระขาดทุนเพราะอะไรร่างกายแตกก็แตกไปสีก็อ น, นิจจังทุกขลังตาท่านก็บอกไว้แล้วว่ามันครอบโลกธาตุจะไม่ครอบขันยังไงอืมลายลากมันครอบโลกธาตุและทําไมจะไม่ครอบขันลราได้นี้เมื่อมันเป็นไปตาม กดอธิษฐานตุคขาตามันมันจะไปขัดขวางมันได้อย่งไรเอาพลอยมันไปเอ่าอะไรไม่ทนอ้าวแตกปายเออมันมีแต่สิ่งที่แตกแต่สิ่งที่สลายทั้งนั้นอยู่ในโลกธาตุนี้เป็นตัเพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันมีเท่านั้นแล้วขันของเรามันจะทนไปได้อย่างไรมันก็อยู่ในกรอบอันเดียวกันเอาพี่นะให้ผมตามความจริงไว้ก่อนที่ยังไม่แตกนี่เป็นความรอบคอบของใจของปัญญา ใช่ครับอ้าวถึงเวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นเออนี่ขึ้นเวทีแล้ววันนี้ว่านั้นเลย เ, ออเราจะขึ้นเวทีเพื่อเห็นความจริงรู้ความจริงตามหลักธรรมไม่ใช่ขึ้นเวทีเพื่อความล่มจมนะทุกเวทนาเกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกเวทนาการที่ยืนใเรื่องทุกเวทนาที่มีอยู่ในฐานนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาเราจะทราบความจริงมันจะล่มจมไปไหน เราไม่ได้ทำเพื่อความลงตัวเราไม่ได้ทำเพื่อความสิ้นหายจากดวงเราเราทำเพื่อชัยชนะเพื่อรู้ตามสัตว์ตามส่วนนั้นจริงที่มีอยู่ที่เป็นไปที่เป็นอยู่แค่ว <c oughs> ่ภายในจิตใจเท่านั้นแล้วว่าค้นได้จากสิ่งนั้นั่นถึงว่าเป็นมงคลอันสูงสุดมีแห่ะถ้าแบบเป็นมงคลคือนิบานะัตชาชิตกิริยาเตสมังคามุตตมง นี่แหละการทำพันิพาณให้แจ้งทำอย่างนี้แหล ะ, ะพันิพาณถูกปิดบงังคือจิตนั่นะ่ะถูกปิดบังเมื่อทิเลสชาเอาอวิชชามันปิดบงังมันไม่แจ้งจึงแก้ไขทั้งด้วยวิถีนี้คือพิจนารณาแยกแยะเห็นตามความจริงเป็นการเปิดจริง ท, ที่ปิดบังหลายออกที่เรียกว่าทำพันิพาณให้แจ้งให้แจ้งชัดภ า, ายในจิตใจเมื่อแจ้งชัดขึ้นหมดแล้วเอตัมมังคารมุตัมมัง เป็นมงคลอัคนนสูงสุดนะอะไรจะสูงสุดยิ่งกว่าให้บาลสิทธสัจฉิอิเดีอันนี้เป็นสูงสุดหัวหน้านั่งกัพุทธศัจโลกท่ามนหจิตันนสาก ร, รมปติอโซกังเลังเทมังเอตมังขนุตตมังฮะจิตนี้อะไรมาสัมหาสก็ตามว่ามีความผ่นท่านขืนเหมือนขืนทั้งหลายอะไรแล้วมันก็แตะต้องมันได้มเข้ามาได้เ้ามาันส ด่างเลยเอ๋มังทะานเป็นจิตที่กสิทธิเอตัม A ตมังครมุตมังอย่า น, นี้ก็ดี้แหนอยู่ที่นี่นะเนี่ยที่ท่านกล่าวมงคลสองข้อที่กล่าวมานี้อยู่ที่ใจนี่นะไม่อยู่ที่ไห น, นตัวนี้เป็นตัวมงคลแล้วเป็นอัปมงคลก็อยู่ในชาเทียวกันนี้นะ่แล้วเวลานี้เราแก้อัปมงคลนั้นออกเพราะมันมีอยู่ติดใจของเราอยู่ให้เป็นมงคลขึ้นมานี่บาลสัจจคิริยาเอาแก้ เปิดเผยลงไปแต่โทแต่โพจะป ร, ระปรรมาจริยจักพอริยจักอริยสัจนจะศาสนานี่ตะโพคือความแผดเผากิเลสกิเลส เ, เป็นของร้อนเผาจิตเพราะใจเราแต่ประธรรมคือสติปัญญาเป็นของร้อนสำหรับกิเลสเผากิเลสลงไปน่ะว่างไงอริยสัจนะศาสนาก็คือรู้เห็นอริยสัจทุกตะรู้เป็นเต็มจิต สมุทัยกัลละได้เต็มใจมักก็บําเพ็ญได้เต็มภูมิของมหาสติมหาปัญญานะชือว่าไงนิโรธก็แสดงเต็มที่นั่งหละศาสนาธรรมถ้าว่าเห็นศาสนาธรรมตั้งอย่างนั้นผู้เห็นผู้รู้ศาสนาธรรมโดยสมบูรณ์นั่นแหละคือคือผู้ทําบริพารให้แจ้งนะแล้วลผู้ไม่หวั่นไหวนั่นเท่ากับทำทั้งทั้งหลายคือจิตนี่แหละอยู่ที่นี่ฮิ่งนเอาสาระสําคัญนี้ให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญ ส่วนมากการอะไรอะไรในขั้นต่างไม่ยังมว่าเป็นที่เราเห็นในทิจนาแล้วขอให้ได้ตัวนี้เป็นตัวสาคัญเอาอะไรจะขาดจะขาดแต่เธอโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ดูแล้วมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรเราก็เคยเป็นมาแล้วกี่กับงกี่การ<ม>แต่เกิดตายเกิดตายนี่เ<ม>ท้านี้มันก็เดินตามทางหลวงที่มันเคยเดินทําหลวงทางําทางหลวงคือทางคติธรรมราของมันใครห้ามไม่ได้มัมนเดินมาตามเราก็รู้ตามความจริงของมันม ถ้าเป็นความจริงทั้งดับอืมตํารังทั้งหมดตํารังที่ตรงนี้หลักการจะได้ทํากันใ้นต้องเกิด